มมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ดูลมอยู่ตลอดเวลาเพราะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันเป็นแนวทางที่ให้จิตของเรารู้เมื่อเราจดจ้องรู้อยู่ความนิ่งของลมก็าตามความเคลื่อนที่ของลมก็าตามลมเป็นสิ่งรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อลมปลากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ทีนี้ว่าเมือม่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมา ตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกขนก็คือว่าทําสติให้มีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นมหาสติอันนี้คืออุบายฝึกสติจิตที่มีความคิดก็ดีจิตที่มีเครื่องรู้ก็ดี นั่นดีสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าติตไปนิ่งอยู่ เ, เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องระลึกนั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดความนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไร ถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฐานฌานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวหนักหนกเข้าเมื่อติดทานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสนาเมื่อจิตเมื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู่ เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติท่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกนั่นเป็นการดีสำหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดฟุ้งมากๆจยิ่งดีดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องระลึก อย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีแต่ความฟุ้งถ้าหากท่านสามารถํำหนดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านนะั่นเอมันจะคิดเดียวกาตามคิดชัวว่วกาตามตามรู้เรื่อยๆไปในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่งเกิดจาก สิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ใน อ, อยู่ในลักษณะสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีและเกิดความยินรายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึดในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นัน ท่านยินดีที่ตรงไหนกามาตั่หามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนวิภวทันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าหากความคิดนั้นแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตของท่านกําลังจะดําเนินเข้าไปสู่สภาพปกติ ในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิเกิดกลายเป็นอริยมรรคคือความประชุมพร้อมแห่งม 8, รรคแปดศีลสมาธิปัญญาประชุมลงแล้วจิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมัรถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ เป็นนักปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าเราไปติดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั่นมาฟัดกันเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตนั่งทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทำสมาธิได้ หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้ถ้าใครจะเก่งกว่านัโนลงสีสา ป, ปักรงกับเพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าแล้วทำสมาธิได้แากใครเคยไปเยี่ยมสำนักชีเปลือยจะได้เห็นเขาทำสมาธิด้วยท่าทางที่เอาสีสา ป, ปักรงกับเพื้นแล้วก็เหยียดเท้าขึ้นบนอากาศกำหนดเจตบริกรรมภาวนาตามแบบของเขาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวัน เพราะฉยนนั้นในกิริยาอาการที่แสดงออกทางกายนี่เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดรู้อยู่ที่จิตท่านจะอะไรเป็นอําของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติได้ทั้งนั้นโดยที่สุดแม้ว่าถ้าหากว่าท่านใดมานั่งประชุมอยู่ที่นี่ท่านอาจจะเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งที่บ้าน กอกำนดจิตดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือยกหนอพองหนอพุทโภพุทโภก็ตามเมื่อจิตของท่านวิ่งไปหาคนที่ท่านรักท่านชอบอยู่ที่บ้านมันไม่อยู่กับสิ่งที่ท่านกำหนดอะไรที่มันรักมันชอบเอาอันนั้นแหละมาภาวนาอาจจะคิดถึงหลานไน้อยหรือลูกไดน้อยคนหนึ่งสมมติว่าเขาชื่อเด็กหญิงกอหรือเด็กชายกอก็ตาม ถ้าภาวนาสิ่งอื่นเนี่มันวิ่งไปหาแตงแต่หลานคนนั้นก็เอาชื่อเขามาบริกรรมภาวนาทําไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันติดมันชอบอยู่แล้วเราเอาสิ่งนั้นแหละมาให้มันติดเป็นเบื้องต้นก่อนเราบริกรรมภาวนาก็ดีพิจารณาอะไรก็ดี เราจะฝึกจิตของเราให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นเบื้องต้นเมื่อมันติดอยู่กับสิ่งที่มันติดเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่วุ่นวายไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันก็ยึดสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เมื่อมันสงบนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นมันกลายเป็นสมาธิความปลอดโปร่งของจิตแล้วภายหลังมันจะเกิดความไม่ติดขึ้นมา อย่างภาวนาพุโทโธพุธโทโธลิยบหนอพองหนอก็าตาม้มเราฝึกจิตของเราให้ติดกับสิ่งที่เรานึกอย่างเหนียวแน่นจนไม่พลากจากกันถ้าหากว่าจะมาพูดผิดหลักไป <c oughs> ถ้าหากจะคิดว่าจะมาพูดผิดหลักการไปขอให้ท่านลองนึกพิจารณาดูองค์ฌานห้าสิ วิตกนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของจิตวิจารจิตจดจ้องหรือซึมซาบเข้าไปในอารมณ์ที่ท่านวิตกถึงอาการที่จิตซึมซาบไปในอารมณ์ที่ยึดบริกรรมภาวนาอยู่นั้นจนกระทั่งจิตสนิทแนบแน่นกับอารมณ์นั้นจิตติดอารมณ์ใช่ไหมล่ะในเมื่อมันติดกับสิ่งสิ่งหนึ่งมันก็ไม่คิดถึงอีกสิ่งหนึ่ง มันคิดถึงอยู่แต่สิ่งเดียวเท่านั้นในเมื่อมันคิดอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวไม่ส่งกระแสไปทางอื่นมันเกิดความสงบใช่ไหมนี่เราดูกันแค่นี้ถ้าหากการปฏิบัติเราไม่ยึดวิธีการเป็นใหญ่เราเอาประสบพกากันที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องตัดสิน เราจะหมดปัญหาข้อสงสัยเราจะต้องตั้งใจมั่นแน่วแน่ลงไปว่าหนึ่งเรามีจิตมีใจเรามีสมรรถภาพพอที่จะปฏิบัติได้สองอารมณ์ที่มีมาเป็นคู่กับจิตที่เรานึกถึงนั้นดีพอที่จะกล่อมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบ สถารที่สามตั้งใจทําจริงคือนึกถึงสิ่งนั้นจริงๆเอาความจริงเข้าเป็นหลักในหลักที่ว่าภาวนาให้มากๆอบรมให้มากมากทำให้มากๆทําให้ ช, นชนานิชํานานการตั้งเจตนากําหนดบริกรรมภาวนาเป็นการปรับปรุงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ เมื่อสมาธิจะเกิดขึ้นเราจะต้องหมดความตั้งใจสมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจการค้นคิดพิจารณาอะไรก็ตามซึ่งในสายแห่งวิปัสนาในขณะที่เราตั้งใจค้นคิดอยู่นั้นวิปัสนาจะไม่เกิดเมื่อเราหมดความคิดแล้วนั่นแหละวิปัสนาจึงจะเกิด เนื้อคติอันนี้ยขอฝากบรรดานักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายไว้พิจารณาเป็นข้อสังเกตตัดสินประสบก า, ารณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาวิปัสสนานั้นตราบใดที่เรายังมีเจตนาตั้งใจคิดอยู่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือ นี่เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งปฏิปทาข้อปฏิบัติในเมื่อหมดคำว่าสิ่งนี้คือจิตสงบนิ่งว่างพอเกิดความว่างแล้วถ้าจิตมีสมรรถภาพพอที่จะเกิดภูมิความรู้ภูมิธรรมขึ้นมามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตของท่านว่างแล้วคือว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมนึกใดๆทั้งสิ้น ในเมื่อว่างจากเจตนาสัญญาที่จะน้อมนึกไปสู่ความว่างเมื่อความคิดความรู้ที่เกิดขึ้ น, นันดับต่อไปนั้นจะรู้สึกว่าเกิดขึ้นอย่างที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนี่ให้สังเกตกันอย่างนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมความจริงนั้นการฟังธรรมถ้าได้นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันจะเป็นการดี <c oughs> จึงขอเชิญทุกท่านเตรียมนั่งสมาธิ ในท่าที่ท่านเห็นว่าเป็นที่สบายแก่ตัวเองการน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการเจริญเมตตาหรือการเจริญพรหมวิหารการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การพรฒ น, นาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านทั้งหลายก็ได้ทำเป็นจิตเบื้องต้นสำเร็จไปแล้วต่อไปจึงเป็นโอกาสที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเมื่อท่านทั้งหลายได้เตรียมนั่งเป็นที่สบายแก่ตัวเองแล้ว ในอันดับต่อไปจงทำใจให้สบายกําหนดรู้ลงที่ใจของตัวเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นใจรู้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่น ถ้าใจทรงไว้ซึ่งรู้อยู่เป็นปกติไม่หวั่นไหวพระธรรมก็อยู่ที่นั่นถ้าใจมีสติสัมปชัญญะสังวรระวังหรือควบคุมความรู้สึกให้อยู่ที่รู้คือที่ใจนั่นเองพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่น ดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่ใจของเราท่านทุกคนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อใจของท่านเป็นผู้รู้เคอรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี เป็นผู้ตื่นคือตื่นจากหลับคือความประมาทแล้วก็มามีสติสำรวมใจให้อยู่ในสภาวะที่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีทรงไว้ซึ่งความรู้สึกอันนี้ตลอดเวลาท่านก็มีพระธรรมอยู่ในใจ การที่สังวรระวังรักษาความรู้สึกสำนึกเิดชอบชั่วดีให้ทรงอยู่ในความรู้สึกเป็นปกติคือการสารวมสตินั่นเองก็มีประสงค์อยู่ในใจผู้มีสภาวะความรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วดีอยู่ในใจจะต้องเป็นผู้ตื่น เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังรักษาความประพฤติของตัวเองซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจาไม่ให้ละเมิดข้อกฎซึ่งเราถือว่าเป็นความชั่ว สังวรระวังจิตใจไม่ให้สร้างบาปอกุศลขึ้นแม้ว่าจะมีความรู้สึกสำนึกในความทั่วคืออกุศลอยู่ก็ตามแต่ก็พยายามสกัดขั้นอดทนไม่ให้ใจที่ชั่วนั้นมีอำนาจที่จะบังคับกายวาจา ให้ประพฤติชั่วคือไม่ให้ละเมิดศีลห้าข้อนั้นเองพอพูดมาถึงเรื่องศีลห้าบางท่านอาจจะเคยคิดและสงสัยในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วให้ประพฤติดีเราจะถือหลักเกณฑ์อะไรเป็นการละชั่วและประพฤติดี การละชั่วโดยทั่วๆั่วไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระดับของขราว่าผู้คลองเลือดเป็นจะศีลรือศีลห้าข้อนั่นแหละเป็นหลักการละความชั่วการละความชั่วตามกฎของศีลห้าข้อนั้นคือมีเจตนางดเป็นตามข้อนั้นๆ โดยเด็ดขาดเมื่อท่านทั้งหลายมาตั้งเจตนางดเว้นโทษตามสีลห้าข้อโดยเด็ดขาดไม่ได้ละเมิดล่วงเกินข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นอันว่าการกระทำชั่วที่จะเป็นผลเพิ่มให้ท่านต้องได้รับผลในปัจจุบันหรือในอนาคต หรืออนาคตที่ท่านถึงแก่ความตายไปแล้วจะพึงไปเกิดใหม่ย่อมไม่มีเพราะการทำความชั่วที่จะต้องมีผลเพิ่มหรือสะสมเอาไว้นั้นมีแต่การละเมิดศีลห้าข้อเท่านั้นนี่พูดเฉพาะชาวบ้านโดยทั่วทั่วไปดังนั้นท่านผูดด้ใดก็ตาม ในเมื่อได้สังวรระวังรักษาศีลห้าข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ควรที่จะได้ภูมิใจว่าเรามีคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมอันสามารถปราบปรามอำนาจของกิเลส ท, ที่จะพึงล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาได้โดยเด็ดขาดแล้ว ถ้าหากท่านจะพิจารณารู้ซึ้งลงไปว่าจิตใจของเรานี่มีความมั่นคงเราไม่สามารถทะเสศีห้าข้อได้แม่ข้อใดข้อหนึ่งเราสามารถที่จะสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีลห้าข้อนี้ได้แม้ว่าใครจะมาบังคับให้เรา ต้องละเมิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งโดยผู้เขียนว่าถ้าท่านไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งใน5้าข้อนี้เราจะประหารชีวิตท่านให้ตายโ้มั่นในศีลห้าอย่างแท้จริงยอมยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมคือศีลห้า หากาใครสละชีวิตบูชาคุ ณ, ณธรรมคือศีลท่าได้เด็ดขาดไม่ยอมละเมิดล่วงเกินแม้ชีวิตจะแตกดับก็าตามผู้นั้นได้ชืี้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็นประสูดาบันถึงแม้ยังไม่เป็นประสูดาบันก็ใกล้ต่อความเป็นประสูดาบัน เพราะลักษณะของพระโสดาบันนั้นจะต้องเคร่งในศีลห้าข้อโดยเด็ดขาดมีความรักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างซาบซึ้งมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนไม่มีการกลับกลอกเปลี่ยนแปลงแม้ว่าใครจะมาขู่เข็นให้เลิกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าไม่ไหวฉันจะประหารชีวิตเสียให้ตายผู้มีคุณธรรมที่รักมั่นในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์จะต้องยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อบูชาคุณธรรมนั้ น, น, นโดยจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขู่เข็นของผู้มีอำนาจที่จะมาขู่เข็นให้เราระเมิดล่วงเกินหรือละทิ้งสิ่งที่เรายึดถืออยู่ อันนี้คือคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันถ้าหากท่านผู้มีจิตใจที่มั่นคงถึงขนาดนี้แม้หากจะยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันแต่ก็ใกล้ต่อความเป็นพระโสดาบันคุณธรรมที่เราจะพึงได้จากการปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้บรรลุพระโสดาบันแล้วที่ลองลองลงมา ก็คือความเริ่มใสในพระรัตนตรัยปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสาระที่พึ่งที่หลลึกอย่างเหนียวแน่นโดยไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงขอแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้สภาพความเป็นจริงของพระพุทธรธรรมประสงค์ซึ่งท่านพูดถึงขุนธรรมขนาดนี้แล้ว เขาจะไม่มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอยู่ที่อื่นนอกจากกายและใจของเขาเขาจะมีความรู้สึกทราบซึ้งลงไปว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจ ค, คุณสมบัติแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมถ้าสามารถบำเพ็ญให้เกิดขึ้นได้พร้อมบริบูรณ์เมื่อใดได้เชื่อว่าท่านมีใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ แล้วท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยฐานะที่เป็นคุณธรรมเท่านั้นจะไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นตัวเป็นตนท่านชายสิทธะที่เรายอมรับว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเพราะท่านในบรรลุคุณธรรมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็าดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีจึงเป็นคุ ณ, ณธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้บำเพ็ญธรรมคือผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนมาปรากฏดังนั้นในขณะใดที่ นักภาวนาหรือนักบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้ตั้งใจแน่วแน่ต่อการปฏิบัติถ้าท่านตั้งความรู้สึกไว้ในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมพระธรรมก็คือคุณธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือคุณธรรม แล้วท่านก็บำเพ็ญปฏิบัติไปตามวิถีทางแห่งการบำเพ็ญจิตเมื่อจิตท่านสงบลงไปแล้วท่านก็รู้ท่านก็จะรู้สัมผัสถึงคุ ณ, ณธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ท่านตั้งปฏิแต่ถ้าท่านตั้งปณิทานเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติบำเพ็ญแล้วขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาหาข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติจิตสงบสว่างลงไปแล้วกระแสจิตสรงออกไปข้างนอกท่านจะมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านเมื่อท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านความรู้สึกของท่านจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีรูปร่างเป็นตัวเป็นตน เพราะอาศัยกิเลสคือตัวอุปาทานฤทธิว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาประทับภายในจิตใจของท่านบางทีท่านจะพบกับพระพุทธเจ้าปลอมคือปลอมกลายเป็นพระพุทธเจ้าเข้ามาส่งขายในจิตแล้วก็จะแสดงอาการไปต่างๆนาน า, นาซึ่งสุดแท้แต่ วิธีเจตของท่านจะปรุงไปตามอํานาจแห่งโมหะคือความหลงเพราะท่านหลงว่าพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนเจตของท่านเป็นผู้หลงในเมื่อเจตของท่านหลงเจตของท่านก็ต้องสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้อะไรผิดอะไรถูกการเล็กสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมานั่นเอง เป็นสิ่งที่ผิดเทศและเคลื่อนคลาดจากพุทธพจน์อย่างให้อภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆห า, าท่านภาวนาแล้วเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพเทวดาพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตาม ถ้าจิตของท่านไปนสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนมาจากที่อื่นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแต่ทางที่ถูกต้องนั้นก็คือจิตของท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าท่านเลิกว่าพระพุทธเจ้ามีตัวท่านก็จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวถ้าท่านเลิกว่าพระธรรมเป็นตัวเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นคำผีพระธรรม ถ้าหากท่านคิดว่าพระพุทธพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นหมู่เป็นพวกเดินเข้ามาหาท่านหรือเดินผ่านท่านไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอุปาทานที่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระดับจิตที่สงบลงเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้น ถ้าเจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมดเพราะสิ่งที่ท่านมองเห็นนั้นจะรู้สึกว่ามองเห็นด้วยตาธรรมดาตาท่านหลับอยู่แต่ท่านก็สามารถมองเห็นได้ทําไมจึงมองเห็นได้ก็เพราะจิตท่านเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้เพึงสังวรระวัง ในเมื่อเหตุการณ์ดังที่กล่าวนี้เกิดขึ้นมาแล้วควรจะปฏิบัติต่อนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไรเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหนึ่งท่านจะไปเอกใจอย่าไปตื่นในการที่ได้พบเห็นให้ประคองจิตอยู่ในท่าทีที่สงบเป็นปกติประการที่สองจะไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นจริง ถ้าจิตมันสงสัยว่ามันชาที่อย่างอ่อนๆก็แสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้ได้นานๆนนภาพนิมิตเหล่านั้นจะอยู่ให้ท่านดูท่านชมบางทีท่านอาจจะได้กว่าภาพนิมิต ท, ที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกซะยิ่งกว่าไปดูหนัง อันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสของใครแต่ถ้าผู้เห็นนิมิตรนั้นเคยมีสิดีมีสติปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตรนั้นเป็นเครื่องลู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพิจารณาเป็นกรรมฐานในแง่วิปัสสนาโดยกำหนดหมายว่านิมิตรนี้ก็ไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป นิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยักษ์ใยอยู่เสมอถ้าท่านสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนากรรมฐานเรื่องนิมิตรต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษ ถ้าผู้ปฏิบัติกําหนดหมายเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องลององลึกของสติเป็นอารมณ์ที่จะน้อมนึกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐ า, านหรือสมถกรรมฐ า, านก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้นๆแต่ถ้าผู้ที่หลงว่าเป็นจริงเป็นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นๆชอบอกชอบใจในนิมิตนั้น บางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นเขาพาไปไหนก็ไปพาลงนรกก็ไปพาขึ้นสวรรค์ก็ไปพาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลามณีก็ไปซึ่งพระธาตุเกศแก้วจุลามณีหรือนรกสวรรค์นั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ขอตัดสินและไม่ขอวิภาควิจารณ์ฝากเอาไว้ให้ผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาเอาเอง เราว่าทางหลักพุทธศาสนาของเรารับรองว่ามีนรกมีสวรรค์มีเทวดามีพูดผีปีศาจมีวิญญาณในโลกจึงไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามาชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังฝากเอาไว้ให้ท่านนักปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดพิจารณาเอาเอง เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางผ่านของผู้บบเพ็ญจิตแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณากรรมาฐานโดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่อง ล, ลึกของสติจะ น, อน้อมนลกพิจารณาไปในแง่อสุภะไม่สวยไม่งามกว่าตาม จะน้อมนึกพิจารณาไปในแง่ว่ากายเป็นธาตุสีดีน้ำลมไฟก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วยูโรยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมาฐานหรือในธาตุกรรมาฐานจนมองเห็นอสุภกรรมาฐานว่าร่างกายเนี่ยมีเป็นของปฏิกู ล, น, กลน่าเกลียดเท่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือ และมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟอย่างชาัดเจนแล้วสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดทายเดียวสิ่งที่เูาเห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้ว น, วนแต่เมื่อจิตถอนออกมาจากสภาพความเป็นเช่นนั้นแล้ว มาสู่ปกติธรรมดาเหมือนเหมือนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศกันอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหรือหายละลายไปนั้นก็ยังปรากฏว่ามีอยู่จะปรากฏว่าละลายหายไปหรือปฏิกูลเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้จึงเป็นเพียงนิมิต ซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อจิตเพ่งจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้โดยแน่วแน่นิมิตย่อมจะเกิดขึ้นในอันดับแรกเรียกว่าอกคาหานิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคานิมิตอกคาหานิมิตจิตจดจ้องรู้ในสิ่งที่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างแน่แน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติ จิตก็อยู่ในสภาพปกติและรู้เห็นกันอยู่อย่างติดหูติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เรียกว่าอุคขหาหนิมิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายใ ห, ให้ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลง หรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของประจิาะนิมิตถ้าหากว่าในขนาดที่นิมิตมีความเปลี่ยนแปลงยักใจอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของนิมิตโดยกำหนดเอาอนิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เที่ยง เข้ามาแทรกในความรู้เห็นในขนาดนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านก็กลายเป็นการเดินภูมวิปัสสนากรรมฐานไปและนิมิต ท, ที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตของทุกายของท่านเองว่าเป็นอสุภกรรมฐานเน่าเปื่อยผูพัง แลรู้ว่ากายของท่านเป็นาธาตุกรรมฐานคือมีดิดน้ำลมไฟในที่สุดกายของท่านที่รู้นั่นก็สลายตัวไปแต่เมื่อท่านตื่นจากสมาธิขึ้นมาแล้วกายก็ยังอยู่หาได้สลายไปไหมเพราะฉะนั้นจึงทำให้สันนิฐานตัดสินได้ว่าบรรดานิมิต ท, ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานั้น จึงใคร่ที่จะขอเตือนให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายให้สังวรระวังเอาไว้ก่อนว่าปรากฏการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องของจิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อท่านสําคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นตัวเป็นตนตัวตนก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็นถ้าท่านสําคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นแต่คุณธรรมหรือนา ม, มาธรรม ท่านก็จ ะ, จะสัมผัสรู้เพียงแค่นามธรรมาหรือคุณฑธรรมเท่านั้นนี่คือทางเกิดของนิมิตหรือไม่ใช่ไม่เกิดของนิมิตในขั้นนี้เรื่องราวหรือนิมิตอะไรจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตในขณะปฏิบัติก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่า สิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรู้ผิดนี่คือหลักการปฏิบัติที่เราจะพึงสังวรระวังาการฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมก็ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปริยัติธรรมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาและมีความรู้มากมายกว้างขวางพิสดารบางทีบางท่านอาจจะเคยศึกษาพระอภิธรรมจบพระอภิธรรมตรีโทเอกมาแล้วดังนั้นการฟังหรือการศึกษาปริยัติธรรมเนี่ย สำหรับสมาคมของเราหรือที่ประชุมของเราในขณะ น, นี้เข้าใจว่าทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจธรรมะในทางด้านปฏิบัติอปริยัติมากมายพอสมควรดังนั้นการที่จะกล่าวพรรณนาหรืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือภูมิจิตภูมิใจนั้นอาตมะเห็นว่า ไม่จำเป็นที่จ้องจะต้องอธิบายให้ยืดยาวกว้างวางังเจียงใคร่ที่จะขอให้ท่านสนใจในหลักลางหลักแห่งโพธิชงที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นองค์แห่งการตัดสุขคือสติสัมโพธ์ชง เราควรจะทำให้หมักๆอบรมให้หมักๆฐานที่อบรมสติเราก็กาหนดหมายเอาว่าให้จิตของเรามีเครื่องรู้ให้สติมีเครื่องระลึกเช่นกายกตาสติสติระลึกไปในกายพิจารณาให้รู้กายภายในพิจารณาให้รู้กายภายนอก กายภายในทำความเข้าใจเอาง่ายๆว่ากายของตัวเองกายภายนอกก็หมายถึงกายของผู้อื่นทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไปเห็นกายภายนอกที่ตายแล้วแล้วก็น้อมเนิกพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองเช่นยังเห็นเพื่อนฝูงที่เขาถึงแก่ความตายไปแล้ว เมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะต้องมีการเน่าเปือ่อยผุพังแ้วคนที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนก็ยังเป็นเพื่อนเป็นผงเป็นเม็ดสหายเคยไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมร่วมกันแต่บัดนี้เขาได้ตายไปแล้วแล้วก็้อ ม, มาเปรียบเทียบของกับตัวของเราเพื่อนของเราตายเป็นวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ย่อมจกตายเป็นเหมือนกันเิดเอามันง่ายๆอย่างนี้ ที่เราจะต้องเข้าใจและมีความทราบซึ้งเอาง่ายๆอะไรก็ตามเป็นอุบายที่จะทำให้เรารู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆจิตของเราจะยอมรับและทราบซึ้งลงไปง่ายๆแม้ว่าจะไม่ตรงตามแบบแผนนักแต่มันสามารถเป็นอุบายทาจิตให้เรารู้ซึ้งลงไปได้ก็เอา สภาวะธรรมที่เราจะพึงกําหนดรู้หรือจะเอามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องเล็ลึกของสติท่านไม่เฉพาะแต่ในแบบที่เราได้ท่องบทศาสตรายจนจำได้นั้นหรอกแม้แต่เพียงข้าวมเมล็ดหนึ่งซึ่งเราบริโภคเข้าไปแต่ละวันละวันเราหยิบยกขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานที่จะรณาให้มันรู้จากที่เกิดที่ดับของข้าวมเมล็ดนั้น แล้วพิจรารณาให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงยักษ์ย้ายของข้าวเมล็ดนั้นอาศัยข้าวเมล็ดอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเจตรู้ซึ่งเห็นจริงด้วยความเป็นสมาธิมีสติปัญญามันก็เป็นอุบายให้เราบรรลุถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันที่นี้เกี่ยวกับเรื่องการบริ ก, กรรมภาวนา เคยได้กล่าวเสมอว่าบริกรรมภาวนาทุกชนิดหรือทุกอย่างเฉพาะในหลักอนุสติ10อนุสติตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่8ข้อ1ก็คือพุทธานุสติข้อ2ธรรมานุสติข้อ3สังขานุสติและเทวตานุสติอุปสม า, านุสติเป็นลําดับไปเรื่องของอนุสติ8ข้อนี้ เด่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนาเคลื่อนเชื่อว่าการบริกรรมภาวนานี่ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ตามจะบริกรรมภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ตามเจ็ดไม่สามารถจะสงบโปงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอให้พึงทําความเข้าใจกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้ภาวนาพุ้โธพุ้โธพุ้โธพุ้โธ ภาวนาพุโทโธนี่จิตไม่ถึงขั้นสมถะคือจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิท่านทั้งหลายจะพึงเข้าใจผิดว่าภาวนาพุโทโธจิตได้แต่สมถะกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานแต่แท้ที่จริงแม้แต่แท้ที่จริงนั้นภาวนาพุโทโธนี่จิตถึงแค่อุปจาระสมาธิท่านเคยสังเกตไหม ท่านบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอเจรู้สึกเคริ้มเคลิ้มแล้วก็สว่างจิตนิ่งแต่ยังรู้สึกว่ามีกายอยู่อารมณ์ภายนอกเช่นลมพัดผ่านเข้ามาก็ยังรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนอยู่จิตยังไม่ปล่อยวางกายทั้งหมดแล้วคําว่าพุโทโธหายไป เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปจารสมาธินี่ยังไม่ถึงขั้นสมถะเป็นแต่เพียงความสงบจิตเพียงนิดหน่อยเท่านั้นที่จะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะนั้นผู้ฉลาดในการภาวนาจะต้องกำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจ กำหนดตลออออัลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าออกจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงขั้นสถมถัาหรือมิฉนั้นก็กาหนดกายกราสติผมขนแล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาในแง่ใดสุดแท้แต่ท่านจะสะดวกจะพิจารณาในแงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ได้ จะพิจารณาในแง่อสุภากรรมาฐานว่ากะายเป็นของปฏิกูน่าเกลียดโสโครกสรกปรกก็ได้แล้วถามปัญหาถามตอบตัวเองไปเป็นเปาะๆเพื่อประคับประคองจิตให้นึกคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวหรือท่านอาจจะพิจารณาว่ากายนี่มีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขาเป็นได่เพียงดินน้ำลมไฟไประชุมกันแล้วก็มีจิตวิญญาณมายึดถือเป็น ว่ามายึดถือโดยความเป็นเจ้าของจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแต่เมื่อแยกออกไปโดยเป็นสัดส่วนแล้วหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจารณาธาตุกรรมฐานในไม่เจิตสามารถแยกกายออกเป็นธาตุสี่ทิ น, น้ำลมไฟมองหาสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนไม่มี เดนก็ไม่ใช่ตัวเราน้ําก็ไม่ใช่ตัวเราลมก็ไม่ใช่ตัวเราไฟก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกเนึเค็ดก็ยังไม่ใช่ตัวเราในเมื่อเป็นเช่นนั้นอนัตตานุปัสนายานมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นคือความสําคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเจตมันก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้และอีกอย่างหนึ่งในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้ง ซึ่งจิตมีอาการสงบโคตลงไปแล้วก็สงบโคตรโคตโคตลงไปไปถึงระดับที่นิ่งนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่ท่านไม่สามารถที่จะกําหนดตามองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุกเอกขาตาได้ถ้าท่านผู้ใดภาวนาเป็นได้อย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะติดสมถะในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขั้นสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้า มันก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านเกิดมีสติทีนี้ในเมื่อท่านมีสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นสมาธิมีกาลังแก่กล้าขึ้นจริงอยู่ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันติดสมถะจริงจงเพราะมันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่รู้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญญาจริงๆรงนั่นหละเอาถ้าใครภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้ดูให้มันชัด จะมัวแต่เถียงกันให้ปวดศรีรษะเมื่อมันสงบนิ่งลงไปจริงๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตถอนออกจากอปปนาสมาธิแล้วพอเกิดความคิดขึ้นมาพับเดียวเท่านั้นเจตของท่านจะมีสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปเป็นลําดับลําดับจะไม่พลากจากความคิดขึ้นนั้นความคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมมาลม เป็นอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดของตัวเองได้ตลอดความรู้ความคิดอันนั้นมันก็กลายเป็นภูมิปัญญาเพราะมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องลึกของสติเมื่อท่านเมื่อจิตของท่านมีสติสัมปชัญญะประคับประคองในเมื่อสัมผัสรู้อารมณ์ทั้งโปรงแล้วไม่ยึดมัน่นถือมัน่นอยู่ในสภาวะปกติ สติประคับประคองจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับรู้อารมณ์สิ่งใดเป็นแต่เพียงว่าสัมผัสสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสภาวะจิตที่สงบในลักษณะที่เรียกว่าสงบสงบสง บ, สงบเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะปรากฏอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ขอให้ท่านพึงสังเตกตอย่างนี้ นี่แหละคือจุดที่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นจากสมถะแต่เมื่อจิตของท่านอยู่ในสมถะนิ่งโดยไม่รับรู้อะไรแม้แต่ตัวของตัวเองก็ไม่รับรู้ไม่ได้จิตรู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้นในขณะนั้นวิปัสสนาไม่เกิดจริงๆแต่เมื่อวิปัสสนาจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตออกจากสมถะมาแล้วแล้วก็มาเกิดความคิด เตเอาความคิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติตามรู้ตามเห็นไปมันก็สามารถเป็นวิปัสสนาได้ในเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นความคิดไปช่วงจังหวะที่มันจะสงบเป็นสมาธิถึงขั้นสมถะอีกทีนั้นย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องที่เราว่าเรามีอารมณ์วุ่นวายอยู่ไม่สงบ บางท่านอาจจะกล่าวว่าจิตไม่สงบไปทำสมาธิไม่ได้ต้องให้จิตมันสงบซะก่อนทีนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านสงบซะเองยางที่ยัก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านจะมาปฏิบัติให้มันเหน็ดเหนื่อยทาไมเพราะเราไม่มีความสงบนั่นเองเราจึงต้องมาก้มหน้าก้มตาปฏิบัติกัน อารมณ์ที่เราว่ามันทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่หมายถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางต า, งางหูจมูกกลิ่นกายลใจเมื่อเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์อารมณ์เหล่านั้นจะมาก่อทุกข์ก่อยา ก, ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเรา จนสามารถมาปฏิวัติจิตใจของเราให้เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือบางทีปฏิวัติให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่แหลกละเอียดละลายไปหมดจนทำให้ไปก่อเรื่องก่อราวต่างๆให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมนี่เพราะเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าเอาทัน เมื่อเราฝึกขาดจิตให้มีสมาธิบ่อยๆเข้าสติมันก็ค่อยดีขึ้นในเมื่อสตินอกจากสติจะดีขึ้นแล้วคุณธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นในเป็นผลเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ ในศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความภาพความเพียรมันก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีศรัทธามีวิริยะความตั้งใจคือสติก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติความมั่นคงของจิตมันก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นความมั่นคงโดยการข่มหรือโดยความตั้งใจก็ตามแล้วในที่สุดเพราะอาการอาศัยการข่ม อาศัยความตั้งใจจิตมันก็จะกลายเป็นสมาธิได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เพียงแต่แค่ว่ามีปัญญารู้เท่าเอาทันในจิตของเราเองเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆสามารถดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหว แม้จะไม่รู้อะไรกว้างขวางที่เป็นโบหารที่จะพึงพูดได้กด็ตามอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังคือเป็นกำลังเมื่อพลังอันนี้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา ในเมื่อศรัทธาปริยัสติสมาธิปัญญากลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าสติตัวนั้นมันก็กลายเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติปัฏฐานเมื่อเจตมีมหาสติปัฏฐานเป็นเจต ส, สิกประกอบแน่นอยู่ในจิตในใจสติตัวนี้แหละจะเป็นผู้นำธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์มีสติวินโยณตัวเดียวเป็นผู้นํา เมื่อมีสติเป็นผู้นำจิตก็ย่อมดำเนินไปในทางที่ถูกต้องการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านในวันนี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอย้ำเตือนท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเรียนรู้มากเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติ แต่เมื่อจะให้สำเร็จผลอย่างจริงจังนั้นต้องอาศัยการทำจริงอาศัยหลักโพชงคาวิตาพระโมฬิกาอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทําำให้ชํชนานิดชํานาญแล้วหวังว่าทุกท่านจะประสบผลสำเร็จตามที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านขอยุติมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา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 เมื่อลมปลากฏในอาการนิ่งเราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ทว่า เ, เมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมา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 ถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฌานฌานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียวหนักนัาเข้าเมื่อติดฌานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสสนาเมื่อจิตเมื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดหู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 ท่านยินดีที่ตรงไหนกามมั่ันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนคิดภาวะันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าหากความคิดนั้นักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินรายจิตของท่านกำลังจะดาเนินเข้าไปสู่สภาพปกติ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 หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิ